ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศ จ, จากทุกข์ปราศ จ, จากภัยปราศ จ, จากโรคและเจริญด้วยปัญญาสามารถรู้แจ้งแทงตลอดถึงหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านได้ตรัสไว้ดีแล้วด้วยกันทุกท่านเทิน ปูตะสูตรว่าด้วยกำลังพระเสขะ5ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังของพระเสขะห้าประการนี้ห้าประการเป็นไนคือกำลังคือศรัทธาหนึ่งกำลังคือหิริหนึ่งกำลังคือโอตปะหนึ่งกำลังคือวิริยะหนึ่ง กำลังคือปัญญาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังของพระเสขห้าประการนี้แหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดากำลังของพระเสขห้ประการนี้กำลังคือปัญญาเป็นเลิศเป็นยอดเป็นที่รวบรวมสิ่งที่เป็นเลิศเป็นยอด เป็นที่รวบรวมแห่งเรือนยอดคือยอดชั้นใดบรรดากําลังของพระเสขาห้าประการนี้กาลังคือปัญญาก็เป็นเลิศเป็นยอดเป็นที่รวบรวมฉะนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า พวกเราจะประกอบด้วยกำลังคือศรัท ธ, ธากำลังคือหิริกำลังคือโอตปะกำลังคือวิริยะกำลังคือปัญญามันเป็นกำลังของพระเสขะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลจบกูตสูตรที่สอง ว่าด้วยการที่จะพึงเห็นกําลังห้าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายกําลังห้าประการนี้ห้าประการเป็นชะไหนคือกําลังคือศรัทธาหนึ่งกลังคือวิริยะหนึ่งกลังคือสติหนึ่งกลังคือสมาธิหนึ่งกลังคือปัญญา นึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็พึงเห็นกำลังคือศรัท ธ, ธาในที่ไหนพึงเห็นในโสตาปัฏิยังคะองค์เป็นเครื่องให้บรรลุความเป็นพระโสดาสีพ่พึงเห็นกำลังคือศรัท ธ, ธาในที่นี้พึงเห็นกำลังคือวิริยะในที่ไหน พึงเห็นในสัมมาประธานสี่พึงเห็นกำลังคือวิริยะในที่นี้พึงเห็นกำลังคือสติในที่ไหนพึงเห็นในสติประธานสี่พึงเห็นกำลังคือสติในที่นี้พึงเห็นกำลังคือสมาธิในที่ไหน พึงเห็นในฌานสี่พึงเห็นกำลังคือสมาธิในที่นี้พึงเห็นกำลังคือปัญญาในที่ไหนพึงเห็นในอริยสัจสี่พึงเห็นกำลังคือปัญญาในที่นี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกำลังห้าประการนี้แลจบ พระสูตรที่ห้าพระสูตรตันตะปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกะนิบาตปัทธรรมปัญ น, นาตปัญจังขีกะวัฏที่สามปัธรมคาระวะสูตร ว่าด้วยฐานะและไม่ใช่ฐานะดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุผู้ไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกรงไม่มีความประพฤติเสมอในเพื่อนพรหมจรรันทร์จากบำเพ็ญธรรมคืออภิสมาจาริกรวัดให้บริบูรณ์นั้นไม่ใช่ฐานะ ที่จะมีได้ข้อที่ภิกษุไม่บำเพ็ญธรรมคืออภิสมาจาริกวัดให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญธรรมของพระเสขให้บริบูรณ์นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อที่ภิกษุไม่บำเพ็ญธรรมของพระเสขให้บริบูรณ์แล้ว จากรักษาศีลให้บร e, achts, no domain, ิบูรณ <c ười> ์น en ั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อที่ภิกษุไม่รักษาศีลให้บริบูรณ์แล้วจากอบรมสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อที่ภิกษุไม่อบรมสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์แล้ว จากเจริญสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุผู้มีที่เคารพมีที่ยำเกรงมีความประพฤติเสมอในเพื่อนพรหมจันทร์จากบำเพ็ญธรรมคืออภิสมาจาริกวัรให้บริบูรณ์ได้นั้น เป็นฐานะที่จะมีได้ข้อที่ภิกษุบำเพ็ญธรรมคืออภิสมาจาริกรวัรให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญธรรมของพระเสกขะให้บริบูรณ์ได้นั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ข้อที่ภิกษุบำเพ็ญธรรมของพระเสกขะให้บริบูรณ์แล้ว จากรักษาศีลให้บริบูรณ์ได้นั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ข้อที่ภิกษุรักษาศาีลให้บริบูรณ์แล้วจากอบรมสัมมาทิทฐิให้บริบูรณ์ได้นั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ข้อที่ภิกษุอบรมสัมมาทิทฐิให้บริบูรณ์แล้วจากเจริญสัมมาสามาธิ ให้บริบูรณ์ได้นั้นเป็นฐานะที่จะมีได้จบปธรรมคาระวะสูตรที่หนึ่งทุติยาคาระวะสูตรว่าด้วยฐานะและไม่ใช่ฐานะ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 อภิสมาจาริกะวัดให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญธรรมของพระเสกขะให้บริบูรณ์ได้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อที่ภิกษุไม่บำเพ็ญธรรมของพระเสกขะให้บริบูรณ์แล้วจากรักษาศีลขันให้บริบูรณ์ได้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ ข้อที่ภิกษุไม่รักษาศีลขันให้บริบูรณ์แล้วจากเจริญสมาธิขันให้บริบูรณ์ได้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อที่ภิกษุไม่เจริญสมาธิขันให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญปัญญาขันให้บริบูรณ์ได้นั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้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 รักษาศีลขันให้บริบูรณ์แล้วจากเจริญสมาธิขันให้บริบูรณ์ได้นั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ข้อที่ภิกษุเจริญสมาธิขันให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญปัญญาขันให้บริบูรณ์ได้นั้นเป็นฐานะที่จะมีได้จบ ทุติยคารระวะสูตรที่สองอุปปะกิเลสะสูตรว่าด้วยเรื่องอุปปกิเลส5หดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งเศร้ามองแห่งทอง ซึ่งเป็นเหตุให้ทองมัวหมองแล้วย่อมไม่อ่อนใช้การไม่ได้ไม่สุขใสเสียเร็วจะทำเป็นเครื่องประดับไม่ได้มีห้าประการ5ประการเป็นไฉนคือเหล็กหนึ่งโลหะหนึ่งดีบุกหนึ่งตะกัวหนึ่งเงินหนึ่ง ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสิ่งเศร้าหมองแห่งทองห้าประการนี้แลซึ่งเป็นเหตุให้ทองมัวหมองแล้วย่อมไม่อ่อนใช้การไม่ได้ไม่สุกใสเสียเร็วจะทำเป็นเครื่องประดับไม่ได้เมื่อใดทองพ้นจากสิ่งเศร้าหมองห้าประการนี้ย่อมอ่อนใช้การได้สุกใส คนทานจะทำเป็นเครื่องประดับก็ได้คือช่างทองต้องการเครื่องประดับชนิดใดใดเช่นแหวนตุ้มหูสร้อยคอสังวานก็ทำได้ตามต้องการฉันใดอุปกเล์แห่งจิตซึ่งเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองแล้วย่อมไม่อ่อนใช้การไม่ได้ ไม่ผ่องใสเสียเร็วไม่ตั้งมั่นโดยชอบเพื่อความหมดสิ้นไปแห่งอาสวะก็มีห้าประการฉันนั้นเหมือนกันอุปกิเลห้าประการเป็นฉนหนคือกามชันทะหนึ่งพยาบาทหนึ่งทีนมิทะหนึ่งอุทจักกุกุจจกหนึ่ง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 ย่อมอ่อนใช้การได้ข่องใสทนทานตั้งมั่นโดยชอบเพื่อความหมดสิ้นไปแห่งอาสวะและภิกษุจะน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่จะพึงทำให้แจ้งได้ด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆ เมื่อทำเครื่องสืบต่อมีอยู่ไม่ขาดสายเธอก็จะบรรลุผลสำเร็จในธรรมนั้นๆโดยแน่นอนถ้าภิกษุหวังอยู่ว่าเราพึงแสดงฤทธิ์ได้หลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้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 ลูกครัมพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้ด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรมโลกก็ได้เมื่อทำเครื่องสืบต่อมีอยู่ไม่ขาดสายเธอก็จะบรรลุผลสำเร็จในอิทธิวิธีนั้นๆโดยแน่นอน เธอหวังอยู่ว่าเราพึงฟังเสียงสองอย่างคือเสียงทิฟและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิฟพยโสตธาต์อันบริสุทธิ์ล่วงโสตะของมนุษย์เมื่อทำเครื่องสืบต่อมีอยู่ไม่ขาดสายเธอก็จะบรรลุผลสำเร็จ ในทิพโสตะนั้นๆโดยแน่นอนถ้าเธอหวังอยู่ว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็พึงรู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะ ก็พึงรู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็พึงรู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็พึงรู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็พึงรู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะ ก็พึงรู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็พึงรู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านก็พึงรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมะหอรคตก็พึงรู้ว่าจิตเป็นมะหอรคตหรือจิตไม่เป็นมะหอรคตก็พึงรู้ว่าจิตไม่เป็นมหอรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็พึงรู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็พึงรู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็พึงรู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็พึงรู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้นก็พึงรู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็พึงรู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นเมื่อทำเครื่องสืบตอมีอยู่ไม่ขาดสายเธอก็จะบรรลุผลสำเร็จในเจโตปริยญาณ น, นั้นๆโดยแน่นอนถ้าเธอหวังอยู่ว่า เราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสมชาติบ้างสี่ชาติบ้างหชาติบ้าง1 0ชาติบ้าง2 0สบชาติบ้างส0สชาติบ้าง40สชาติบ้างหสชาติบ้าง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 มีอาหารอย่างนั้นได้เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพนน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้น ได้เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุธเทศด้วยประการชนิ เมื่อทำเครื่องสืบต่อมีอยู่ไม่ขาดสายเธอก็จะบรรลุผลสำเร็จในบุเพนิวาสานุสติญาณ น, นั้นๆโดยแน่นอนถ้าเธอหวังอยู่ว่าเราเพิ่งเห็นหมูสัตว์กำลังเคลื่อนกำลังอุบัตเลวประณนีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซาำ ได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ล่วงจักษุ ข, ของมนุษย์พึงรู้หมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าจัตเหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิ ถือมั่นการกระทาด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปเขาเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิ ถือมั่นการกระทำด้วยอำนาจจามาทิฏฐิสัตว์เหล่านั้นเมื่อตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เราพึงเห็นหมู่สัตว์ที่กําลังเคลื่อนกําลังอุบัตเลวประนีตมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์มามได้ดีตกยากด้วยที่พยจักษุอันบริสุทธ ล่วงจากสุขของมนุษย์พึงรู้มูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้เมื่อทำเครื่องสืบต่อมีอยู่ไม่ขาดสายเธอก็จะบรรลุผลสำเร็จในจุตูปปาตายานั้นนั้นโดยแน่นอนถ้าเธอหวังอยู่ว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เมื่อทำเครื่องสืบต่อมีอยู่ไม่ขาดสายเธอก็จะบรรลุผลสำเร็จในเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตนั้นๆโดยแน่นอนจบ อุปากิเลสะสูตรที่สามทุศสีละสูตรว่าด้วยโทษแห่งความทุศิลป์และคุณแห่งความมีศิลปดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมมาสมาธิของภิกษุผู้ทุศิลป์ มีศีลและวิบัติแล้วย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียะถาภูตะยานทัศนะของภิกษุผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้วเมื่อยะถาภูตะยานทัศนะไม่มีนิพพิธาและวิราคะ ของภิกษุผู้มียะถาภูตตาญาณทัศนะวิบัติย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้วเมื่อนิพพทาและวิราคะไม่มีวิมุตติญาณทัศนะของภิกษุผู้มีนิพพทาและวิราคะวิบัติย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติแล้วแม้กระเทาะของต้นไม้นั้นก็ไม่ถึงความบริบูรณ์แม้เปลือกก็ไม่ถึงความบริบูรณ์แม้กระพีก็ไม่ถึงความบริบูรณ์แม้แก่นก็ไม่ถึงความบริบูรณ์ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันแลพิษสูทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผู้ทุศีลมีศีลวิบัติแล้วย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตะยานาทัศนะของภิกษุผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้ว เมื่อยะถาภูตญาณทัศนะไม่มีนิพพิธาและวิราคะของภิกษุผู้มียะถาภูตญาณทัศนะวิบัติย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้วเมื่อนิพพิธาและวิราคะไม่มีวิมตุตตญาณทัศนะของภิกษุผู้มีนิพพิธาและวิราคะวิบัติ ย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสมาธิของภิกษุผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลอย่อมเป็นธรรมถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยะถาภูตายาณทัศนะนะของภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยสัมมาสมาธิ ย่อมเป็นธรรมถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อยถาภูตะยานทัศนะมีอยู่นิพพิธาและวิราคะของภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยยถาภูตะยานทัศนะย่อมเป็นธรรมถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อนิพพิธาและวิราคะมีอยู่วิมติยาณทัศนะ ของภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยนิพพิธาและวิราคะย่อมเป็นธรรมถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายต้นไม้ที่มีกิ่งและใบบริบูรณ์แม้กระเทาะของต้นไม้นั้นก็ถึงความบริบูรณ์แม้เปลือกก็ถึงความบริบูรณ์ แม้กระพีก็ถึงความบริบูรณ์แม้แก่นก็ถึงความบริบูรณ์ชันใดชันนั้นเหมือนกันแลภิสษุทั้งหลายสัมมาสมาธิของภิสษุผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเป็นธรรมถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยะถาภูตะยานัศสนะ ของภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยสัมมาสมาธิย่อมเป็นธรรมถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อยถาภูตะญาณทัศนะมีอยู่นิพพิธาและวิราคะของภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยยถาภูตะญาณทัศนะย่อมเป็นธรรมถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เมื่อนิพพทาและวิราคะมีอยู่วิมุตติยาณทัศนะของภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยนิพพทาและวิราคะย่อมเป็นธรรมถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยจบทุทศิลสูตรที่สี่ วิมติสูตรว่าด้วยเหตุแห่งวิมติห้าประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งวิมติห้าประการนี้ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่ดุดพ้นย่อมหลุดพ้น สะวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยพระชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุเหตุแห่งวิมุตติห้าประการเป็นไฉนดดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระศาสดาหรือเพื่อนส ะ, สะพรมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป ย่อมแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่พระาศาสดาหรือเพื่อนสัพรมจารีผู้อยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมท เมื่อเกิดปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุดูก่อนภิกูุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง พระศาสดา ห, หรือเพื่อนสะพรมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุก็แต่ว่าภิกษุย่อมแสดงธรรมเท่าที่ได้สดดับไ้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้น ที่ภิกษุแสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเรื่เรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบ ผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่สองซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้น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 ก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สดดับไ้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารก็แต่ว่าภิกษุย่อมทําการสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดดับไ้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดารเธอย่อมเข้าใจอ่าน เข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่ภิกษุสาธยายทำเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดารเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบ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 ก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สะดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารแม้ภิกษุก็ไม่ได้ทาการสาธยายธรรมเท่าที่ได้สะดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดารก็แต่ว่าภิกษุ ย่อมตรึกตรองใครครวรทําเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยใจเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่ภิกษุตรึกตรองใครครวนธรรตามที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยใจเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมท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 พระศาสดาหรือเพื่อนสะพรมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สะดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารภิกษุก็ไม่ได้สาธยายธรรมเท่าที่ได้สะดับ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิษดารแม้ภิกษุก็ไม่ได้ตรึกตรองใครควรทำเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยใจก็แต่ว่าสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเธอเล่าเรียนมาด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีทรงไว้ด้วยดี แทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจทมในทมนั้นตามที่เธอเล่าเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วยดีทําไว้ในใจด้วยดีทรงไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธทมย่อมเกิดปราโมท เมื่อเกิดปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจเกิดปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสเวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนพิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่หซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุ ผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาศะที่ยังไม่สิน้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเหตุแห่งวิมุตติห้าประการนี้แหล ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิน้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุจบวิมุติสูตรที่หก อนุขะหาสูตรว่าด้วยธรรมที่สนับสนุนสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์าอนุเคราะห์แล้วย่อมเป็นธรรมมีเจโตวิมุติเป็นผลมีเจโตวิมุติเป็นพลานิสง์และเป็นธรรมมีปัญญาวิมุติเป็นผลมีปัญญาวิมุติ เป็นพาลานิสงฆ์องค์ห้าเป็นไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้สัมมาทิทฐิอันศีลอนุเคราะห์แล้วอันการสนทนาธรรมอนุเคราะห์แล้วอันสมะถะอนุเคราะห์แล้วอันวิปัสนาอนุเคราะห์แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิอันองห่าเหล่านี้แลอนุเคราะห์แล้วย่อมมีเจโตวิมุตเป็นผลมีเจโตวิมุติเป็นพล า, านิสง์และมีปัญญาวิมุติเป็นผลมีปัญญาวิมุติเป็นพล า, านิสง์จบอนุขหาสูตรที่ห้า สมาธิสูตรว่าด้วยญาณห้าอยา่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีปัญญารักษาตนมีสติจเจริญสมาธิหาประมาณมิได้เถิดเมื่อเธอมีปัญญารักษาตนมีสติ จเจริญสมาธิหาประมาณไม่ได้อยู่ยานห้าอย่างย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนยานห้าอย่างเป็นไนะคือยานย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปหนึ่งสมาธินี้เป็นอริยะปราศจากอามิ t h นสมาธินี้อันคนเลวเสพไม่ได้หนึ่งสมาธินี้ละเอียดประนีตได้ด้วยความสงบระงับบรรลุได้ด้วยความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นและมิใช่บรรลุได้ด้วยการข่ม ร, รมที่เป็นฆ่าศึกห้ามกิเลส ด, ด้วยจิตอันเป็นสะสังขารหนึ่ง ก็เราย่อมมีสติเข้าสมาธินี้ได้มีสติออกจากสมาธินี้ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิอันหาประมาณไม่ได้เธอเมื่อเธอทั้งหลายมีปัญญารักษาตนมีสติ จเจริญสมาธิอันหาประมาณไม่ได้อยู่ยานห้าอย่างนี้แลย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนจบสมาธิสูตรที่เจ็ดท่านสาธุชนทั้งหลาย